บุกทูยี่สิบสองดวายตอดเวการสนทนาสามครั้สั้นสรั้งสามครั้ครัสรัมครั้รารรคสรมครั ูชิเตลีูชิเตลีผมเคยสูบครับโปราโนดโปราโนดแต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วโนเซกาเวเชเนูชโนเซกาเวเชเนูชรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่ ชลวชิปช ไ, ไม่เลยครับมนัวนไมัน ไ, ไม่ได้รบกวนผมครับทวมีเคุณจะดื่มอะไรไหมครับ ลตบรันดีไหมครับเอ딘คอนยักเอ딘คอนยักไม่ครับผมชอบเบียร์มากกว่านโรดพชืตบรนรดพรูชตบ ร, ร, รคุณเดินทางบ่อยไหมครับ ป go ตูวัดเตลิมโนโกบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจด่ Обыкновенно в командировках ด Обыкновенно в к о м а н д и р о в к а แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน н о с е г а смету к на почивка นั่งสิกาตุนาะพ ร้อนอะไรอย่างนี้แค่กว่าจะเกิกว่าจกิใช่วันนี้ร้อนจริงๆดะดเนสน่าอิสตีน่าเกอเรชโตดะดเนสน่าอิสตีน่าเราไปที่ระเบียงกันเถอะดะอิสเลซิม พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่อุตรทุกทคุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับครับพวกเราได้รับเชิญด้วยด่ Да, н นี่สิฉันจะบอกกันนี่